คนอ่านสัมภาษณ์ส่วนตัวดังตรินฉบับนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับเป็นการคุยถามตอบกันเองสบายสบายบ้างหลังจะเขียนคอล้ำเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวอย่างต่อเนื่องมาสองปีเศษโดยยังไม่ได้แนะนำตัวกันทางกองบรรณาธิการเลยขอให้จัดการซะหน่อยเอาคำถามที่กองบรรณาธิการได้รับทางโทรศัพท์เป็นตัวตั้ง รวมกับคำถามจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยสนทนาวิสาสะกับแฟนๆบางกอกในงานมหกรรมหนังสือเดือนตุลาในงานมหกรรมหนังสือโดยตรงมาเสริมผมคาดเฉพาะคำถามเดิมๆที่ต้องตอบซ้ำไปซ้ามาหลายรอบฉะนั้นจึงถือว่านี่เป็นคำตอบฉบับคนอ่านสัมภาษณ์ดังตรินจริงๆครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ถามดังตรินแปลว่าอะไรตรินแปลว่าหญ้าครับฉะนั้นดังตรินคือเหมือนหญ้าถามทำไมถึงเลือกชื่อนี้ตอนจะเขียนบทความธรรมะครั้งแรกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2532ซึ่งก็จำไม่ได้แน่บวกลบไม่เกินหนึ่งไม่อยากใช้ชื่อนามสกุลจริงครั้งนั้น ต้องรีบคิดแล้วคิดไม่ออกคิดไม่ทันเลยเอาชื่อตัวละครตัวหนึ่งสมัยแต่งนิยายไว้อ่านเองเล่นๆมาใช้นึกว่าคงไม่ได้ใช้นานนักแต่ในที่สุดก็ใช้มาเกือบ2ี่สิปีเข้าไปแล้วถามชื่อจริงๆว่าอะไรสรันไมตรีเวสที่ถูกต้องสะกดด้วยนอเนน แต่เจ้าพนักงานที่อำเภอคงไม่ทันดูเลยสะกดผิดผมก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งเห็นเพื่อนประถมชื่อเดียวกันสะกดด้วยนอเนนก็ไปหาว่าเขาสะกดผิดซะอีกโตมาด้วยชื่อนี้มีเอกสารเยอะแยะแล้วเลยขี้เกียจแก้ครับเพราะฉะนั้นเห็นที่ไหนไม่ต้องทักท้วงมานะครับขอหน้าแตกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอา้าวแถมให้ด้วย คุณพ่อชื่อวิโรธหมตรีเวทคุณแม่ชื่ออญชร า, าติรีเวทหน้าตาอิ่มบุญทั้งคู่ถามอายุเท่าไรหมายเหตุผู้อ่านในปีที่คุณดังตรินเขียนหนังสือนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับท่านตอบไว้ว่าปีนี้ส9ครับเกิดเดือนตุลาคมพุทธศักราชส5งพสิบ ส่วนวันที่นั้นเป็นเลขสองหลักซ้ำกันทั้งหน้าทั้งหลังคำเตือนการเล่นหวยอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีของชีวิตถามกินมังสวิรัตไหมตอบเคยกินผลไม้กับผักเปล่าๆโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกินเจหรือมังสวิรัตแต่ปกติก็กินเหมือนธรรมดาทั่วไปครับ จำได้ว่าเคยเขียนในเตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวว่าถ้าให้โหวตกันทั้งโลกว่าจะให้กินหรือไม่กินเนื้อสัตว์ผมจะเลือกไม่กินเพื่ออยู่ฝ่ายตัดสินไม่ให้สัตว์ต้องถูกฆ่าแต่ในความเป็นจริงโลกนี้มีวงจรผูกนี่ระหว่างผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าที่ไม่มีวันจบวันสิน้นมีสัตว์ตายอยู่แล้วทุกวันโดยผมไม่รู้ไม่เห็นและไม่ได้เป็นคนบงการสังฆ่า ผมก็เหมือนคนทั้งโลกที่เกิดมาก็ตกที่นั่งผู้บริโภคเป็นผู้อยู่ปลายทางแห่งวงจรผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามทีสรุปคือการกินเฉพาะผลไม้หรือผักของผมนั้นถ้ากินก็กินเพื่อสุขภาพไม่ใช่เกิดจากการเลงว่าตัวเองดีขึ้นหรือเลวลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่เชื่อว่าจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นหรือเลวลงด้วยการกินมังสวิรัตหรือการกินเจเป็นการเลือกที่จะไม่แตะต้องศพสัตว์หาใช่การช่วยสัตว์ไม่ให้ต้องเป็นศพแต่อย่างใดและที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์ต้องเป็นศพหลุดพ้นจากวงจรการผลัดกันฆ่าอันน่าสะเพริงกลัวนี้ก็มีทางเดียวคือช่วยกันบอกวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ไม่ว่าจะในภพของสัตว์หรือภพของมนุษย์อันเต็มไปด้วยการเบียดเบียนทั้งปวงถามเคยบวชไหมตอบเคยบวชที่วัดป่าสารวันโดยมีหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเป็นพระอุปชัชฌาย์เมื่อวันเสาร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมพุทธศักราช5อง้าแต่มีวาสนาอยู่ได้แค่สองเดือนก็สึกครับ ระยะเวลาแค่นั้นยังไม่น่านับว่าเคยบวชหรอกเรียกว่าไปหัดนุ่งจีวรมากกว่าหมายเหตุผู้อ่านหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นพระดีท่านหนึ่งที่สอนธรรมะแบบเรียบง่ายเข้าใจง่ายและเหมาะกับจริตคนทั่วไปถ้าใครสนใจก็ลองไปโหลดธานิยภาูชาที่ผมอัดเสียงไว้มาฟังนะครับ เราจะเข้าใจว่าท่านลึกซึ้งและงดงามแค่ไหนถามเคยทํางานอะไรกําลังทํางานอะไรนอกจากเขียนหนังสือตอบที่ผ่านมาตามลําดับคือสอนคอมพิวเตอร์เป็นนักออกแบบซอฟต์แวร์เกมเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เป็นนักเขียนบทความและหนังสือคอมพิวเตอร์ แต่หางวงการไอทีมาเป็นสิบปีแล้วลืมเกลี้ยงแล้วตอนนี้เลยเขียนหนังสืออิงหลักธรรมะเป็นอย่างเดียวครับเพราะเขียนอย่างเดียวก็ลมจะใส่แล้วครับถามกำลังเขียนอะไรอยู่บ้างก็เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเนี่ยแหละสำหรับนิตยสาราฉบับอื่นก็มีเพียงเนชั่นสุดสัปดาห์ขอล่ำคิดจากความว่างอยู่ทุกอาทิตย์เช่นกัน นอกจากนั้นก็ทยอยเขียนหนังสืออยู่หลายเล่มแบบไม่กะเกณเวลาเสร็จแน่นอนเพื่อให้ทุกบรรทัดออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับมาเหตุผู้อ่านปัจจุบันคุณดังตรินได้เขียนหนังสือออกมาหลายเล่มและเป็นหนังสือขายดีอย่างเช่นเสดายคนตายไม่ได้อ่านสามารถติดตามอ่านฟรีได้เกือบทุกเล่มที่เว็บไซต์ดังทรินดอทนะครับ ถามคิดอย่างไรถึงมาเขียนหนังสือธรรมะตอบผมได้รับแรงบันดาลใจมากมายตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างเช่นเมื่อครั้งบวชกับหลวงพ่อพุธเคยเข้าไปนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดของวัดเลือกเอานิตยาสารเก่าแก่เป็นสิบปีก่อนผมบวชได้ความรู้ความเข้าใจแล้วเกิดความคิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาว่าตัวหนังสือนี่ดีนะขนาดคนเขียนตายไปแล้ว คนข้างหลังยังได้ประโยชน์อยู่หรืออย่างผมอ่านงานของท่านอาจารย์แสงจันงามซึ่งมีนามปากกาว่าธรรมโครเช่นนวนิยายเรื่องลีลาวดีก็เกิดความตั้งใจขึ้นมาทีเดียวว่าต่อไปจะเขียนนิยายอิรมเช่นนี้บ้างเพราะเห็นค่าเห็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงว่าสำหรับมือใหม่ธรรมะนั้นไม่มีอะไรเป็นขนมหวานล่อใจได้ดีเท่าเรื่องราวสนุกสนาน ผ่านรูปแบบนิทานหรือนวานิยายถึงวันที่ผมเริ่มทำได้ผมก็ทำมาเรื่อยและแตกกิ่งก้านสาขาออกไปไม่เฉพาะบทความธรรมะและนวานิยายอิงหลักธรรมความตั้งใจอันเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้คนร่วมสมัยได้รู้จักได้เข้าใจและกระทั่งได้มองเห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้า ถามเขียนหนังสือมาแล้วกี่เล่มคำถามนี้เป็นคําถามเมื่อหลายปีก่อนนะครับคุณดังตรีนตอบไปว่าถึงวันที่เขียนบทความนี้นะครับหนึ่งเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวรวมเล่มแล้วแปดเล่มสองทางนฤรุพานนวนิยายเรื่องแรกของผมรวมเส้นทางของคนหลากประเภททั้งเก่าทันแพตรีเรือนแก้วและมะติ ซึ่งแฟนประจำบางกอกหลายท่านคงเคยผ่านตามาก่อน 7. กรรมพยากรนวนิยายที่มีตัวยืนโรงเป็นหมอดูชื่ออุปการะแบ่งเป็นตอนชนะกรรมและตอนเลือกเกิดใหม่ซึ่งเพิ่งผ่านสายตาแฟนบางกอกไปเมื่อปีที่แล้วสียดายคนตายไม่ได้อ่านตอบคำถามว่าทำไมคุณถึงเกิดมาเป็นอย่างนี้ ทำอย่างทุกวันนี้ตายแล้วไปไหนได้บ้างและถ้ายังอยู่ควรทำอะไรให้คุ้มที่สุด 5. มีชีวิตที่คิดไม่ถึงอธิบายความเป็นชีวิตผ่านรูปแบบของเกมกรรมจะให้คุณสำรวจตนเองตั้งแต่เกิดว่ามีคะแนนติดตัวมาเท่าไหร่และขณะนี้สะสมเพิ่มหรือตัดคะแนนตัวเองไปถึงไหนแล้ว คิดจากความว่างเล่มหนึ่งเป็นการรวมเอากรอนเปล่าที่สาธยายความว่างด้วยอักษรแห่งความเย็นเพื่อเหนี่ยวนาให้ว่างจากความเครียดว่างจากความฟุง้งว่างจากความผิดประการต่างๆไปจนกระทั่งว่างจากความไม่รู้อันเป็นความว่างขั้นสูงสุด 7. วิปัสสนานุบาน เป็นแนววิธีเริ่มปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆไม่มีศัพทธรรมะไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมเล่มนี้ก็เคยเขียนลงแล้วในบางกกาะเช่นกัน 8. เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเป็นเรื่องแต่งจากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติธรร ม, มตามวิธีของพระพุทธเจ้าให้อ่านง่ายๆผ่านตัวละครที่เป็นคนร่วมสมัยคิดแบบคุณใช้ภาษาพูดแบบคุณ และทำผิดทำถูกแบบคุณคุนนั่นเองเกมหาสติปฐานสูตรเป็นรายละเอียดการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางสติปฐานสี่อันนี้ผมกำลังเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้อ่านง่ายและทำได้จริงสำหรับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นคงหาจากท้องตลาดไม่ได้อีกระยะหนึ่งหมายเหตุซึ่งปัจจุบันนี้คุณดังตริน ได้นำมหาสติประทานสูตรมาเรียบเรียงใหม่เป็นเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่มสองหรือมหาสติประทานสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทุกเล่มที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงเล่มใหม่ๆที่ตามมาภายหลังจากบทความนี้ออกมาหลายปีแล้วนะครับคุณดังตริน ได้รวบรวมไว้ให้อ่านฟรีได้ทั้งหมดที่ดังตริน .com ที่นั่นจะมีหนังสืออื่นๆอีกเช่นว่าท้าดังตรินฉบับความรากักหลากสีและฉบับชวนคิดตลอดจนซีดีเสียงอ่านจดหมายข่าวและบทสัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆอีกด้วยครับถ้าใครที่เข้าอินเทอร์เน็ตประจำก็ลองเข้าไปดูละกันนะครับ มเมื่อไรกรรมพยากรภาคสามถึงจะออกตอบเมื่อคุณเห็นลงในบางกอกอะครับตอบแบบกำปั้นทุบดินเดี๋ยวจะถูกต่อว่าคือตอนนี้มีคิวต้องทำหนังสือเล่มอื่นให้เสร็จและระหว่างนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างคิดพล็อตให้รัดกลุ่มตั้งใจว่าภาคสามจะไม่เหมือนทุกภาคที่ผ่านมา และอาจจะไม่เหมือนงานทุกชิ้นที่เคยเขียนมาเลยด้วยถามในคอลัมน์เตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวและหนังสือเล่มอื่นๆเอาความรู้และคำตอบมาจากไหนตอบคุณพ่อตั้งตู้หนังสือธรรมะไว้ในห้องนอนของผมตั้งแต่ผมยังเด็กผมหยิบหลายต่อหลายเล่มมาอ่านยังมีความสุขและท่านก็ถ่ายทอดอะไรให้ฟังมาเรื่อยเมื่อบวช หลวงพ่อพุทธก็สอนกรรมฐานให้ผมไว้ไม่น้อยและผมเองก็หาอ่านเองแทบไม่เว้นแต่ละวันด้วยความสนใจมายี่สิบกว่าปีเคยพบปะพูดคุยกับคนมาทุกประเภทเห็นกรรมและผลกรรมของใครต่อใครด้วยตานอกและตาในามานับไม่ถ้วนฉะนั้นทั้งความรู้ความจำทั้งประสบการณ์ตรงและทั้งคำสารภาพของคนมากหน้าหลายตา ก็ย่อมก่องเป็นข้อมูลใหญ่พอดูงานที่ทำอยู่ก็คือนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ตามลำดับตามคำถามหรือตามจังหวะโอกาสที่เหมาะสมครับถามเป็นคนปฏิบัติธรรมหรือเปล่านั่งสมาธิทุกวันไหมและปฏิบัติแนวไหนตอบคำถามนี้มากมาพร้อมกับการคาดหมายว่า ผมจะปฏิบัติธรรมตามรูปแบบของสำนักใดสำนักหนึ่งที่มีอยู่มากในปัจจุบันก็ขอตอบว่าเปล่าครับผมไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบใดของสำนักใดสำนักหนึ่งแต่หากถามว่าผมจเจริญสติตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เอากายใจเป็นเครื่องระลึกว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอันนี้บอกได้เต็มปากว่าทำอยู่ทุกวันตามขั้นตอน และรายละเอียดที่พระองค์ท่านสอนและปรากฏมีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกความรู้อันเป็นภายในที่ได้จากการเจริญสติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้นํามาใช้เป็นคําตอบส่วนหนึ่งสําหรับคอล่ามเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวการเจริญสตินั้นถ้าหากถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์ประทานไว้แล้วคุณจะรู้เรื่องกายใจตัวเองเป็นหลัก รู้อย่างลึกซึ้งรู้อย่างประกอบด้วยความเข้าใจเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงปลายเหตุการเจริญสติที่แท้ไม่ออกนอกขอบเขตกายใจตัวเองทว่าในที่สุดเมื่อรู้กระจ่างเกี่ยวกับกายใจตัวเองของแถมที่ได้รับก็คือความรู้ความเข้าใจผู้คนตามไปด้วยเนื่องจากเหตุผลและกลไกทางธรรมชาติในตัวเรา ก็ไม่ได้แตกต่างจากเหตุผลและกลไกทางธรรมชาติในคนอื่นเลยแม้แต่น้อยพูดง่ายๆว่าเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแค่ไหนก็จะปล่อยเห็นคนอื่นและเข้าใจคนอื่นไปด้วยแค่นั้นโลกจะปรากฏเป็นของเปิดเผยมากขึ้นความลึกลับทั้งมวลจะดูตื้นเขินลงลองแล้วคุณจะรู้ว่าจริงไหม ถามเมื่อไหร่จะเปิดรับคำถามทางอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเติมตอบทุกวันนี้ผมพยายามเคลียร์หนี้เก่าให้หมดอย่างขมักขมันต้องขอความเห็นใจนิดหนึ่งว่าคำถามเก่าที่ค้างค้างอยู่ไม่ใช่น้อยและจดหมายที่ทยอยผ่านมาทางกองบรรณาธิการบางเกอบก็เริ่มมากขึ้นผมไม่อยากแบ่งแยกแต่บางทีก็จำเป็นต้องเลือกเปิดซองจดหมายที่เขียนด้วยลายมือก่อน เคยแจ้งแล้วและขอแจ้งซ้ำอีกครั้งนะครับว่าผมอาจรวบรวมคําถามของหลายคนไว้ในคําถามเดียวโดยตกแต่งรูปประโยคคําถามเสิร์ใหม่เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะตอบทุกคําถามและทุกรายละเอียดของทุกท่านให้ครบถ้วนในชีวิตเดียวฉะนั้นหากคุ้นกับคําถามของตนเองหรือได้คําตอบจากคําถามของคนอื่นแล้วก็ขอให้ถือว่าผมตอบแล้ว ด้วยความเคารพและด้วยความปรารถนาที่จะช่วยให้คำตอบแก่ทุกท่านโดยเสมอภาคกันหลายคำถามแม้จะมีหลายคนถามมาซ้ำๆกันเยอะผมก็ไม่อาจตอบแบบปัจจุบันทันด่วนเพราะบางคำตอบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีสิกกระทบกระเทือนจิตใจคนฟังหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ผมยังหาคำพูดดีพอไม่เจอหรืออีกที คือไม่ทราบจะตอบอย่างไรต้องหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมสักพักหนึ่งหากผมเปิดรับคําถามทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มในเวลานี้ก็จะเท่ากับเพิ่มดินที่พอกหางหมูให้ทับทวีหนาเตะยิ่งขึ้นไปอีกผมไม่สบายใจกับการให้ใครต้องรอนานครับฉะนั้นการปิดรับคําถามจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในช่วงปีนี้ ถามตัวละครต่างๆในนิยายมีจริงไหมพอบอกได้ไหมว่าเป็นใครที่ไหนตอบมีจริงอยู่ในหัวของผมและของคุณไงครับการที่อะไรสักอย่างหรือใครสักคนจะมีจริงขึ้นมาได้ทางเดียวคือต้องรู้สึกแจ่มชัดอยู่ในใจของเราเพราะใจเรานั่นล่ละครับจริงที่สุดแล้วในละครชีวิตที่เหมือนฝันไปนี้ ผมไม่เคยเอาตอนเองเข้าไปเป็นตัวละครแต่ปล่อยให้ตัวละครทั้งหมดคุยกันเองโต้อตอบกันเองหลายครั้งผมเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้คนแต่ละประเภทก็หลังจากเขียนนิยายอันเป็นต้นกำเนิดของตัวละครนั้นๆจบลงแต่เจ้าตัวที่บังเอิญมีชีวิตคล้ายคลึงกับตัวละครดังกล่าวก็มากรีดใส่ไถ่ถาเหมือนเป็นเดือดเป็นร้อน ว่าขโมยชีวิตเขามาเขียนหรือเปล่าทำไมช่างเหมือนเข้าไปได้ถึงความรู้สึกนึกคิดขนาดนั้นความจริงมีอยู่ว่ารูปแบบชีวิตของพวกเราแตกต่างกันด้วยความพิสดารของกรรมที่ทำมาแต่ความรู้สึกนึกคิดความสุขความทุกข์ก็ไม่สามารถผิดแผกกันได้ไกลสักเท่าไหร่หรอกครับระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างพระกับโจร สามารถแชร์ประสบการณ์หลายๆอย่างแบบมนุษย์ร่วมกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ขณะแบ่งอุจจาระความกระวนกระวายขณะอิ้วโหวยความกระสับกระส่ายในขณะสรมไข้ความทุรนทุรายแทบขาดใจขณะพรากจากคนรักเป็นต้นรัประกันได้ว่าไม่เคยจับเอาใครคนใดคนหนึ่ง ที่มีลมหายใจและเลือดเนื้อในโลกความจริงเข้ามาใส่ไว้ในนวนิยายเป็นอันขาดตัวละครแต่ละตัวอาจหมายถึงการรวมผู้คนที่ผมรู้จักเป็นสิบเข้ามาไว้ในหนึ่งเดียวและท่านนั้นหมายถึงการสะท้อนความจริงเหมือนกระจกเงาให้กับบางท่านผมก็หวังว่าจะเป็นไปเพื่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านดีนะครับ จบแล้วครับปีหนึ่งอาจจะคุยกันเบาๆอย่างนี้สักครั้งหนึ่งถ้าไม่เบื่อพบกันใหม่ในการถามตอบปกติฉบับหน้าครับ